มาเข้าคอร์สวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านแล้ววันแรกๆหลวงพ่อก็พูดเรื่องภาพรวมๆนะเราก็มีศีลมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นก็เจริญปัญญาเกิดปัญญาแล้วจิตก็หลุดพนเข้าถึงความบริสุทธิ์พระอาารยท่านบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ ด้วยด้วยปัญญาแต่ปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดหรอกมันต้องมีฐานศีลต้องดีนะจิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิรู้จักมิติเจริญปัญญาปัญญาถึงจะเกิดเมื่อวานหลวงพ่อก็แจกแจงเรื่องสมาธิให้ฟังสมาธิมีหลายแบบมีตั้งแต่มิจฉาสมาธิสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะี เป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยสมาธิอันที่สองเป็นสมาธิที่ใช้พัพผ่อนจิตจะเป็นหนึ่งแนบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวมีจิตอันเดียวอยู่ด้วยกันอย่างจิตไปอยู่กับพุทโธจิตไปอยู่กับลมหายใจจิตไปอยู่กับท้องอยู่กับเท้าอยู่กับมือเลยจิตอยู่กับความว่างไม่เพ่งความว่างๆอยู่ถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวนี้ มีสติอยู่ไม่เผลอไม่ขาดสติแย้วก็เป็นสมาธิที่ดีชนิดหนึ่งแป่เอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สามเป็สมาธิสำคัญเปสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์จเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบาย แต่ตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มีสองชนิดเองผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดกับผู้รู้ที่ถูกเนี่ยเราไม่ได้จงใจให้เกิดแต่เรารู้ทันอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตี่จะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเองจะมีผู้รู้ที่ถูกตัวรู้ที่ถูกเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจ ก็ควรเหกียดกันงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้รู้แล้วมีราคาโทัวร์าอะไรแท้รู้ตรงๆรงรู้สบายสบายรู้แบบไม่ยินดีอินร้ายเป็นกลางอันเนี้ตัวรู้ที่ถูกส่วนตัวรู้ที่ผิดเนี่ยเกิดแกี่การจงใจทําขึ้นมาเราเคยจําสภาวะของตัวรู้ได้แล้วว่าตัวรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จงใจทํามันขึ้นมาแทนที่จะไปรู้ทัน จที่เคลื่อนแล้วเกิดตัวรู้ตามธรรมชาติก็กลายเป็นสร้างตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้นะจะรู้อารมณ์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวรู้เองเนี่ยจะแข็งแข็งจะหนักจะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวรู้นิดเที่ยงไม่ค่อยมีความสุขด้วยจะรู้แบบเฉยๆยแข็งแขงเฉยยอยูนั้น แล้วก็บอกว่าทำวิปัสสนาอยู่เห็นอนาะรมณ์มาอารมณ์ไปแตใจนี้เฉยให้ายก็กลายเป็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นตัวรู้เที่ยงแล้วตัวรู้ตัวนี้ไม่ดีแข็งแข็งหนักหนั ก, นกแน่นๆเครียดเครียดนะยังเวลาที่เราพวนานะเราก็พัฒนามาเป็นลำดับลาดับจะ ท, ทาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นก็รู้ทันนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วรู้ฐานจิต ท, ที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งแนบเข้าไปในอารมณ์กรรมาฐานก็รู้เราจะได้สมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาเรียกว่าลักขณูปนิชฌา น, นเกล็ดของสมาธิชนิดที่ทำความสงบสบายอยู่ในเรื่องอารามันูปนิชฌา น, นเกล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปจิตไปจับอารมณ์ไว้ สมาที่มีหลายแบบชอบมัวซั่วกันนะไอ้อาเขาพูดแต่ว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาพูดหลวมแปลนั้นกะ็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้สมาธิที่ใช้เดินปัญญาสมาธิที่จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเป็นคนดูดูอะไรดูธาตุดูขันแสดงไตรลักษณนะ์ดูธาตุดูขันแสดงไตรลักษ วันนี้หลวงพ่อก็จะขยายความเกี่ยวกับการดูธาตุดูขันให้ฟังเป็นส่วนของการเจริญปัญญาจริงๆเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะท่านพูดถึงการทำฌานฌานสี่แล้วมีจิตที่ตั้งมั่นนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงาน แล้วน้มน้อมจิตนั้นไปเพื่อยานทัศนะไหมมีสมาธิอยู่เฉยๆแนละ้วไม่มีปัญญาหรอกต้องมีการน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะหมายถึงเอาจิตที่มันตั้งมั่นแล้วนี่แหละไปเดินปัญญาอันนี้ท่านพูดมาเต็มภูมินะตัวรู้ของท่านเนี่ยพูดตัวรู้ชนิดที่ผ่านการทําฌานมาอย่างเมื่อวานหลงพ่อเล่าให้ฟังแล้วทำฌานจนถึงฌานที่สองเนี่ยตัวรู้จะเกิด ชานที่สี่เนี่ยตัวรู้จะเข้มแข็งมากเลยเอาแากชานมาเนี่ยตัวรู้จะทรงตัวอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกินเจวันหรอกถ้าพวกเราทําชานไม่ได้เราก็ใช้วิธีรู้จิตที่เคลื่อนไปแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นขณะขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนที่ทรงชานอยู่เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าถ้าอ่อนลงมาหน่อยเรียกอุปจารสมาธิแต่ถ้าเราใช้วิธีจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ เราจะได้คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะอยู่ได้ไม่นา น, นทรงอยู่ไม่นานเหมือนพวกที่ผ่านฌ า, านมาแต่ก็พอที่จะใช้ได้แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอระหันต์ใช้สมาธิชนิดนี้แหละนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าในบรรดาพระอระหันต์ห้าร้อยองค์มีหกสองค์ได้วิชาสาม ระลึกชาติได้รู้ว่าสัตว์ไหนตายแล้วไปเกิดอะไรแล้วก็ล้างกิเลสได้ที่วิชาสามควรจะได้วิชาสามเนี่ยต้องสมาธิสูงนะพวกที่ทรงสมาธิสูงอีก60สบองค์นะอีก60สองค์หรืออีกสิบสองเอร์เซ็นเี่ยอภินญหารหกอภิญญารหกเพืเ่อนแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพตาทิพนะระลึกชาติได้รู้ว่าร่าจิตคนอื่นอะไรพวกนี้ น, ะ, นะพวกนี้มีหกสองค์ จากห้าร้ออีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพระอาหารหันต์ชนิดอุปโตภาวิมุตเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้อารูปรชาชันพวกนี้มีอีกหกสิบองค์งั้นในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์เนี่ยมีพระอาหารหันต์ที่ทรงฌานจริงๆนะคือหกสิบบวกหกสิบวกกสิบร้อยแปดสิบจากห้าร้อยพระอาหารหันต์ที่เหลือคือคนอย่างพวกเหล่านี้แหละคนที่มีสมาธิกับ นิดๆหน่อยๆ น, น, นะเป็นขณะๆไปนี่ยแล้วก็เจริญปัญญาไปให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจว่าเราเข้าฌานไม่เป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้ผ่านการเข้าฌานมานะแต่ว่าพอเป็นพระโสดาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยได้ปฐมฌานอัตโนมัติท่วงค์เลยอา ร, ริยะทุกอง์ได้ปฐมฌานอย่างน้อยนะโดยอัตโนมัติเป็นของแถมแก่อนจะ เป็นพระริยาเป็นพุทุชนแบบพวกเราเนะี่ยไม่ทรงฌานเลยก็เยอะแยะเลยส่วนใหญ่ไม่ทรงฌานด้วยเข้าฌานไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปเสียอกเสียใจเว่าเราเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้นะนั่งเป็นวันๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฤทธเดชก็ไม่มีไม่เกี่ยวอะไรเลยนะขอเพียงแต่ว่าถ้าใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาดูมาเจริญปัญญาเอาใจเนี่ยมาเจริญปัญญา ที่ท่านใช้คาว่าน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะไม่ใช่แปลว่าส่งจิตออกนอกนะน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะหมายถึงพาจิตให้มันเจริญปัญญาไม่ให้มันอยู่นิ่งไม่ให้มันอยู่เฉยคําว่ายานทัศนะหมายเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาการเห็นอะไรเห็นอะไรด้วยปัญญาเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ด้วยปัญญาถ้าเห็นตัวกายตัวใจเนี่ย เรียกว่าเห็นด้วยสติมีสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ใจเคลื่อนไหวรู้นี่เห็นด้วยสติแต่เห็นด้วยญาณคือเห็นด้วยปัญญานี่คือเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นที่บอกโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็คือพาจิตไปดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเนะคําในพระไตรปิฎกแต่และคํามีความหมายนะประณีตลึกซึ้งอ่านเผินๆ เ, น, เ น, นี่นภาวนาไม่เป็นนะไม่ลึกซึ้งเลย เรไม่เข้าใจเลยทำไมท่านใช้คําอย่างนี้คําแต่ละคําที่ท่านใช้นะ่ะเป๊ะๆ เ, เ, เลยนะน่าฟังมากเลยการที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วนะเราจะดูกายหรือร ด, ดูใจในเบื้องต้นที่จิตยังไม่เคยเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องจงใจก่อนเราก็มาเลือกว่าเราจะรู้กายหรือรู้ใจดูจากจริตของตัวเองเมื่อวานบอกแนละ้วถ้าเราเป็นพวกตัณหาจริต พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยให้ดู ก, กายเป็นหลักไวนะ้เพราะร่างกายจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าเราเป็นพวกคิดมากให้ดูจิตไว้เพราะเวลาจิตมันคิดทีไรนะความรู้สึกมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเพั้นะถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นนะให้ดูจิตดูใจนะนี่การที่จะดู ก, กายทํำยังไง ต้องแยกธาตุแยกขันธ์จะดูใจก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นก่อนเมื่อวานสอนแล้ววิธีแยกธาตุแยกขันธ์จะนั่งสมาธิไปหรือจะสวดมนต์อยู่ก็ได้นะเราค่อยๆดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันสวดมนต์เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูทําไปนานๆปวดเมื่อยขึ้นมาก็เห็นว่าปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจปวดมากๆใจไม่สบายใจกลุ่มใจขึ้นมาเห็นอก้กลุ่มใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อย รมใจก็ไม่ใช่ร่างกายรู้มใจก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยหัดแยกนะเสร็จแล้วท่าจะดูกายเป็นพื้นฐานไว้ก็เพ่งความสนใจไปที่กายแต่อย่ายให้จิตไหลลงไปในกายคอยหมั่นไว้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกหัดเห็นนี้เรื่อยเร่ร่างกายยืนใจเป็นคนดูร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้า ใจเป็นคนดูร่างกายเคี้ยวอาหารร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูเจะอาบน้ําอาบถ่าจะนุ่งผ้านุ่งผ่อนแต่งเนื้อแต่ตัวอะไรเห็นร่างกายมันทํางานไปไม่ใช่เราทํางานนะร่างกายทํางานใจเราเป็นคนดูการดูกายเนี่ยจะดูลงในขณะนั้นเลยร่างกายกําลังเคลื่อนไหวอยู่เราก็รู้ได้ในขณะนี้เลยเรียกว่าปัจจุบันขณะนะจะต่างกัการดูจิตดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันติ คือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายจะเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้แหละกำลังเคลื่อนอยู่นี้รู้สึกอยู่นะั้นเราไปหมั่นนะถ้าคนไหนฉลิตนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายเป็นหลักไว้ก่อ น, นเห็นร่างกายยืนเดินด น, นั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายคู้ร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งทาอะไรก็คอยรู้สึกไปะจะอาบน้าจะกทั่งจอือฉี่อะไรเนี่ยนะ อยากให้ขาสติคอยรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยอย่างเวลาฉี่อะไรเนี่ยน่าจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นแค่ธาตุนั่นเองธาตุมันไหลออกไปเวลาจะกินนั่นก็จะเห็นธาตุมันไหลเข้ามาอนะไรเงี้ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะค่อยค่อยฝึกไปนี่ถ้าพวกที่เริ่มจากการดูจิตดูจิตเนี่ยมีหลักของการดูสามสการ หลักของการดูจิตสามประการคือก่อนจะดูอย่าโลภอย่าไปดักดูมันไม่ใช่ว่าพอคิดจะดูจิตไหนไหนจิตมีอะไรจิตเป็นยังไงคอยจ้องไว้งี่นะจะไม่เห็นจิตเลยทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเราจะไปจ้องมันไว้ก่อนแล้วไปรอดูเนี่ยไม่ได้ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วถึงจะรู้ได้ถึงจะเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติ ความโกรธเกิดขึ้นมาก่อนล้วรู้ว่าเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วมีคำมาแล้วด้วยนะแต่ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะอย่างนี้ไม่ใช่ปัจจุบันสัน ต, ติเราไม่ได้ต่อกับปัจจุบันละอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วต้องสดๆร้อนๆขัดใจขึ้นมานะเห็นเลยความขัดใจมันพุ่งขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยพอเราเห็นปนั๊บเลยจะขาดไปเลยตรงที่เราเห็นเนี่ยในขณะนั้นไม่โกรธแล้ว ในขณะนั้นไม่โกรธแล้วความโกรธจะดับวับไปให้ดูต่อหน้าต่อตาได้เลยนะจะเห็นหางหางของมันเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะเพราะงั้นเวลาดูจิต ด, ดูใจเนี่ยได้อย่าไปจ้องไว้ก่อนรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะให้มันโลภ ก, ก่อนแล้วรู้ว่าโลภเกิดความโกรธรู้ว่าโกรธนะเดี๋ยวคอยดูอย่างนี้นะเรียกว่าการตามรู้ตามรู้ ตามรู้เนืงเนืองอย่าไปดักรู้อย่าไปรอรู้นะข้อที่สองหลักของการดูจิตข้อที่สองอันนี้ใช้กับการดูกายก็ได้ข้อแรกเนี่ยดูกายดูลงปัจจุบันเลยแต่ถ้าดูจิตอย่าไปดักดูรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรวมความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังแต่รู้ติดๆๆกันข้อที่สองอันนี้ใช้ได้ทั้งกายทั้งจิตในการดู ระหว่างดูอย่าถลําลงไปดูใจเราต้องเป็นแค่คนดูแยกออกมาเราตื่นต้องหัดแยกธาตุแยกขันนะอย่าถลําเข้าไปเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นใจอย่าถลําเข้าไปในความโกรธนะหรืออย่าไปปล่อยให้ความโกรธเนี้ยพุ่งขึ้นมาครอบใจของเราาใจกับความโกรธรวมกันมันจะกลายเป็นเราโกรธนะแต่ถ้ามันแยกกันเราจะเห็นไอ้ความโกรธก็ส่วนความโกรธจิตก็ส่วนจิตนะอย่าให้ถลําลงไปหรือร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ย จิตก็แยกออกมาเป็นแค่คนดูไม่ถลําเข้าไปในร่างกาย่ยบางคนดูท้องฟองยบจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องนี่เลขถลําลงไปแล้วเดินจงกรมจิตถลําลงไปอยู่ที่เท้านี่เลขถลําลงไปแล้วลงที่จิตแยกมาเป็นคนดูนะระหว่างที่ดูเนี่ยจิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากเนี่ยอันนี้ใช้เป็นหลักที่ใช้ได้ทั้งการดูกายและดูจิตแต่ในส่วนก่อนจะดูเนี่ยถ้าดูกายดูลงปัจจุบันได้เลยถ้าดูจิตจะให้ความรู้สึกเกิดก่อน แล้วค่อยรู้เอาข้อที่สามเมื่อดูแล้วเกิดความยินดีให้รู้ทันเกิดความยินร้ายให้รู้ทันนั้นอย่างเราเห็นเช่นเราดูจิตดูใจอยู่เห็นความสุขเกิดขึ้นมามันแอบพอใจในความสุขนี่เรียกว่าราคะเกิดละมันแอบพอใจในความสุขไม่ใช่รู้แค่ว่ามีความสุขเกิดขึ้นแต่รู้ปฏิกิริยาของจิตต่อความสุขนั้นคือจิตมันพอใจขึ้นมาให้รู้ทันเหมือนเข้าไปอีก นั้นก่อนจะดูอย่าไปดับดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูข้อสองระหว่างดูอย่าถล่มลงไปจ้องมันดูห่างๆดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียนะดูเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่กระโดดลงไปตามเข้าไปอันที่สถ้าดูแล้วนะจิตเกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นยังไงนะเกิดดีเกิดร้ายเกิดอะไรพอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิต ให้รู้ทันที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ใช่รู้ทันแค่ว่ามีความสุขนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี้มันพื้นๆไปต้องลึกซึ้งเราไปอีกถ้าก็มีความสุขแล้วจิตเกิดพอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกเกิดขึ้นจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะมีกิเลสเกิดขึ้นจิตชอบสะใจดีนะรู้ว่าจิตสะใจจิตชอบงัน ร, รู้อารมณ์แล้วนะก็มารู้ทันจิตอีกทีหนึ่งนะนี่หลักของการดูจิตนะ ข้อมูลมันเยอะนะใจเย็นๆหลวงพอภาวนามาตั้งแต่เจขวบจนป่านนี้61แล้วหลายสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วเลยสรุปข้อมูลออกมาให้พวกเราฟังได้เยอะๆเลยดูกายนะดูลงปัจจุบันดูจิตตามรู้เอาระหว่างรู้ไม่ว่ารู้กายหรือรู้รจิตเนี่ยให้รู้แบบใจอยู่ตะหาร เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือสุกทุกข์อยู่อันหนึง่งใจอยู่อันหนึง่งกิเลสอยู่อันหนึง่งใจอยู่อันหนึง่งเนี่ยระหว่างดูนะมไม่ถล่มเข้าไปรวมกันดูแล้วไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตดูแล้วถ้าเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยีร้ายให้รู้ทันเกิดปฏิกิริยาอะไรที่จิตให้รู้ทันนะเช่นนั่งหายใจอยู่แล้วลาคานตัวเองขึนนะ้นมาเนี่ยรู้แล้วําคานไม่ชอบนะแล้วนะนะข้อสามนี่ก็ใช้ได้ทั้งดูกายดูจิต ไม่ว่าจะไปรู้กายหรือรู้จิตนะถ้าใจเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันด้วยแต่ตรงที่การรู้ทันใจที่ยินดียินร้ายเนี่ยห้ามจงใจรู้นะถ้าจงใจรู้พยายามจะดูเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเราก็พยายามจะดูไหนไหนจิตยินดีหรือจิตยินร้ายอันนี้คือการดักดูแล้วนะจะผิดกฎข้อหนึ่งจะไปการไปดักดูไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ให้ความยินดียินร้ายเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ว่าเห็นความสุขแล้วจบอยู่แค่นั้นถ้าจิตมีความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาอย่าดักรู้นะใช้หลักเดียวกันกับข้อหนึ่งนั่นแหละให้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนจิตนี่ชำนีิชํานาญในการเดินปัญญาขึ้นมามันเห็นกายแสดงไตรลักษณ์มันเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ทั้งวันเลย นี้พอเราฝึกซ้อมจนชำนิชำนาญแล้วขั้นต่อไปนี้ไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้จิตเราเลือกไม่ได้แล้วแต่สติจะระลึกอันแรกเลือกได้เพราะเป็นการโน้มน้อมจิตไปโน้มน้อมจิตไปใหม่ถึงขยันดูกายหรือขยันดูจิตนะแต่ในขั้นที่จิตชำนิชำนาญในการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยไม่มีสายกายและสายจิตอีกต่อไปแล้ว ไอ้สายนอนสายนี้เป็นแค่การสตาร์ทจุดสตาร์ทจุดหัดเบื้องต้นเท่านั้นเองฝึกที่จะรู้สุกอย่างอย่างที่เขาเป็นด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเท่านั้นแหละเมื่อทําเป็นแล้วนะต่อไปจะเห็นทั้งกายทั้งจิตยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยจเจริญตัญญาด้วยการดูจิตแต่ไม่ใช่ไม่รู้กายเราเห็นเลยเมื่อตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยน จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็เปลี่ยนเช่นคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้โลภนะคิดเรื่องนี้ดีใจคิดเรื่องนี้เสียใจเนะี่ยหรือว่าเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดนะเห็นหมาบ้าแล้วกลัวเห็นดอกไม้แล้วก็พอใจอยากจะเด็ดอยากจะได้อนะไรเงี้ยเนี่ยการที่เราอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วจิตมันเปลี่ยนเนี่ยมันทําให้เรารู้กายไปด้วยนะ เพอะไรตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คือกายนั่นแหละเพราะฉะั้นถ้าดูจิตนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้วมันจะถึงขนาดที่ว่านอนหลับนะนอนหลับอยู่เนี่ยร่างกายฟลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดเลยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยเพราะฉะั้นที่ว่าดูจิตดูจิตแล้วดูกายไม่เป็นต้องดูกายก่อนพี่เชื่อเลยดูจิตนี่แหละรู้กายได้ละเอียดมากเลยนะร่างกายขยับคุ๊กกิรกกุ๊ก้สึกหมดเลยทั้งหลับทั้งตื่นเนี่ยรู้สึกหมดเลย เนบางคนตกใจทําไมไม่หลับนอนกลวนคลอกๆ อ, อยู่ร่างกายกลวนคลอกๆ อ, อยู่จิตยังรู้เลยไอ้ตัวนี้มันนอนกลวนอยู่มันไม่ใช่เราหรอกดนั้นไม่ต้องตกใจหรอกเราไม่ง่วงเหงาหง่นอนนะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอย่างเดิมนั่นแนะเพราะว่าร่างกายมันได้พักแล้วแต่จิตต่างหากที่มันพักนิดหน่อยร่างกายต้องการพักนานนะพักหลายชั่วโมงแต่จิตพักไม่มากหรอกพวกเรากลืนฝันไหม พวกที่บอกว่าไม่ฝันนะคือพวกที่ฝันแล้วไม่รู้ว่าฝันเท่านั้นแนหะที่จริงเนี่ยจิตลงไปพักไม่นานนะจะขึ้นมาทํางานขึ้นมาคิดความคิดในขณะหลับก็คือความฝันนั่นแหลนะขณะที่เราตื่นเนี่ยเราฝันอยู่เท่านั้นนะ่ะไม่ว่าเราคิดอยูนะ่คิดกับฝันก็อันเดียวกันนะั้นดูจิตนะก็จะเห็นกายเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกนอนกนอกินครอกๆอยู่นั่นก็ได้ ที่แปลงฝันนะเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่เราเหรอกสุดท้ายมันไม่มีนะสายกายสายจิตจะรู้ทั้งหมดรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรารู้เหมือนกันถ้าดูกายเป็นก็จะเห็นจิตด้วยนะเมื่อวันเมื่อวันแรกวันที่สองก็บอกแล้วว่าครูบาอาจารย์เคยสอนว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะถ้าดูกายเป็นนะก็จะเห็นจิตเพราะอะไรก่อนที่จะไปดูกายเรามีจิตที่เป็นคนดูอยู่แล้วนะ แรกเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวที่จริงมันมีจิตเป็นคนดูอยู่แล้วสุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งจิตะส่วนพวกดูจิตเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะกายกระทบอารมณ์จะเห็นอย่างนี้นะมันจะเนื่องกันหมดเลยทั้งกายทั้งจิตเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหัวก้อยก็เหรียญอันเดียวกันนั่นแหะจะหยิบอันหนึ่งขึ้นมาอีกอานหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งก็ต้องติดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกายแยกจิตให้เป็นก่อนแยกรูปแยกนามให้เป็นนะเราดูกายก็ทํางานดูจิตก็ทํางานเพื่อจะเห็นความจริง เห็นความจริงทีแรกเนี่ยจิตจะสะทกสถานหวั่นไหวบางคนรู้สึกกลัวว่าตายแล้วร่างกายของเราไม่ใช่ของเราจริงหรอจิตใจของเรา เ, ร า, เราก็บังคับมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่คิดเลยบางคนกลัวนะนะบางคนกลัวบางคนรู้สึกเซ็งชีวิตเลยเบื่อลนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราชีวิตนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะปกติเคยคิดว่าอยู่เพื่อให้ร่างกายเสพสุขให้จิตใจเสพสุข เอากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วใครจะไปเเสบสุขเลยนี่มันจะเป็นความรู้สึกนะบางคนก็อยากพ้นพ้นไปกายนี้ใจนี้ไม่เอาไหนเลยอยากให้หลุดพ้นออกไปนะความรู้สึกนานาชนิดเหล่านี้เกิดขึ้นไม่จะเบือ่อจะกลัวนะหรือว่าจะเกลียดมันอะไรก็ตามนะจะเซ็งเซงขึ้นมานะก็าตามคนระับให้มีสติรู้ลงไปอีกรู้ความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นมานั้นแนหะเช่นเดียวกับการรู้ความรู้สึกอื่นๆนั่นแหละ งั้นนั่งภาวนาพอเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วเบื่อเบื่อนะให้รู้ทันที่เบื่อความเบื่อจะดับนะมันจะดับไปเลยใจเราก็จะส่งตัวขึ้นมานะแล้วใจมันก็จะคิดว่าทํายังไงจะพ้นทํำยังไงจะพ้นตรงที่พอใจมันคิดว่าทํำยังไงจะพ้นมันจะเริ่มคิดถึงว่าทํายังไงจะปฏิบัติได้ดีว่านี้ทุกวันตื่นนอนขึ้นมาก็จะคอยคิดว่าวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีเผื่อจะได้มาผลนิพพานจะหาทางนะจะดิ้นรนใครเป็นมา้าง แต่เป็นมากตื่นมาก็ชิดเลยจะปฏิบัติไงดีวะนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ยังไม่ดีมากหรอกนะหาทางปฏิบัติไปหาไมเถอะอยังไงมันก็ต้องหาห้ามไม่ให้หามันก็ไม่เชื่อหรอกอย่างหลวงพ่อบอกไม่ต้องหาเลยให้รู้อย่างที่มันเป็นะจิตของเราจะรับไม่ได้เราจะต้องดิน้นยังไงก็ต้องดิน้นเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราเป็นอย่างนั้นต้องดิน้นหาทางให้พ้นทุกข์ไม่ได้หลวงพ่อบวช พันศาแรกๆนะหนึ่งสองกระทั่งในพรรษาที่สามเนี่ยนะตื่นขึน้นมาคิดเลยจะทำไงจะภาวนาให้ดีวันนี้จะเล่นความเพียรได้ยังไงคิดอย่างนี้นะในพรนศาที่สามจะเล่งความเพียรได้ไงแต่แล้วจนปัญญานะ่ไม่รู้จะเล่นยังไงพราสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัตปัญญาก็อัตโนมัติอัตโนมัติหมดแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วเนะนี่ยมันทุกขั้นทุกตอนเลยนะจะต้องผ่านกระบวนการตรงเนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนภาวนาเก่งแล้วนะแต่ละขั้นแต่ละขั้นขึ้ไปมันก็กลับมารู้สึกอย่างนี้เองเั้นจิตมันจะแสวงหาทางหลุดพ้นอยู่ตลอดเลยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะมันจะยอมรับความจริงไม่มีทางหนีมันเลยไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยหลุดพ้นไม่ได้มรรคผลก็ไม่มีทางเดินบรรลุแล้วทําเต็มที่นะเรียกว่าภาวนาแบบหมาชนตรอกแนละ้วไม่รู้จะหนีทางไหนนะ เมื่อถึงจุดนี้นะใจจะจุดการดิ้นที่จะหนีหยุดการดิ้นที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นใจจะยอมรับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาใจเข้าสู่ความเป็นกลางแต่ถัดจากนั้นน้ำจะเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวนะสุขทุกดีชั่วชั่วคราวหมดร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวเลยจิตนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาตัวนี้จิตจะเลิกดิ้น จิตจะตั้งมั่นสงบรู้สภาวะซึ่งมันไม่เอาไหนเลยคาดขันทั้งหลายรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงตรงนี้แหละคือคาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นกว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้นะต้องภานาปัญญาถึงขั้นนี้ก่อนพอมันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงเนะี่ยจิตจะหมดความทีนน่โนลนหมดความปรุงแต่งหมดการสแสวงหานะหมดความอยากเมื่อหมดความอยากใจจะไม่ปลุงต่อแล้วนะ จะรู้อยู่เฉพาะหน้าสักว่ารู้สักว่าเห็นได้เมื่อบารมีของเรามากพอนะศีลธรรมอะไรของเราดีทุกอย่างแล้วเนี่ยบารมีเรามากพอแล้วเนี่ยบุญบารมีนั้นจะช่วยเรานะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยไม่ได้เจตนาให้รวมจะรวมเองเลยทั้งชาติยังไม่เคยเข้าฌานเลยในขณะนั้นจิตจะเข้าฌานของเขาเองเราไม่ต้องเข้านะจิตเข้าเองเมื่อจิตเข้าฌานแล้วเนี่ยนะ สติจะย่างลงที่จิตสมาธิตั้งอยู่ที่จิตปัญญาก็เห็นอยู่ที่จิตก็จะเห็นสภาวะที่ปรุงขึ้นภายในจิตเนี่ยสขณะหรือ3ามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนที่ปัญญาแก่กล้าเนีเห็นสองวับนะวับวับขึ้นมาในจิตไวขึ้นมาเห็นสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยสทีนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านถึงใช้คําว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะสัญญาไม่ได้เข้าไปแปลไม่ได้สำคัญไม่ได้ให้ค่าเลยเห็นแค่ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปนะสองขณะนะถ้าพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยเขาเห็นสามครั้งถึงจะพอนะพอพอแล้วเนี่ยจิตจะถอนตัวนะจะถอนตัวออกจากจุดที่มันเห็นความเกิดดำจะถอนตัวเข้าหาธาตุรูนะ้ตรงที่มันถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นนะ่ะ แล้วมันยังถอนออกมาแล้วนะแต่มันยังมาเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้เนี่ยตรงเนี้ข้าบลูกข้าบดอกไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่พระอริยะว่ามันถอนตัวเข้ามาจนถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยนะตรงนี้แหละมันจะแหวกออกอาสวะกิเลสเนี่ยจะถูกพลังของคุณงามความดีทั้งหมดเลยที่งประชุมตัวกันแล้วเนี่ยแหวกทำลายออกนะแล้วสังโยชน์จะถูกฆ่าลงไปในขณะนั้นตัวนี้ขณะแห่งอริยมรรคเกิดอริยมรรคขึ้น ถัดจากนั้นเนี่ยการตัดกิเลสตรงนี้เนี่ยตัดชับเดียวเลยนะไม่ใช่แบบเฉือนเฉือนเฉือ น, อนงี้นะไม่มีเลยนะขาดฟับตรงนี้เลยนะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะเข้าถึงพระนิพพานสองหรือสามขณะพวกที่เห็นสภาวะไหวไปสองทีนะจะสัมผัสพระนิพพานสามจังหวะพวกที่เห็นสามครั้งไหวไปสามทีเนี่ยจะเห็นพระนิพพานสองจังหวะนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ย บารมีไม่เท่ากันหรอกบางคนเกิดอีกเจ็ดชาติบางคนสามชาติบางคนชาติเดียวนะแต่ละคนไม่เท่ากันนะชาติเดียวก็มีนะไม่ใช่ทุกคนต้องเจ็ดชาติหรอกเจ็ดชาติหมายถึงไม่เกินนะเพราะว่าบารมีไม่เท่ากันฝั่งสติปัญญาไม่เท่ากันการเห็นพระนิพพานเนี่ยนะธาตรู้นะธาตุรู้นะไปเห็นพระนิพพานธาตุรู้ไปเห็นพระนิพพานนะจะรู้ว่า ในตัวของธาตรู้เองนะถ้าถ้าเราชํานาญพอนะหมายถึงเราชํานาญในธาตรู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าในธาตรู้เนี่ยนะไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนส่วนภายในของมันนะถ้าดูอย่างลึกลงไปภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายนอกไม่มีตัวตนแต่คําว่าภายในภายนอกเป็นคําโวหารเท่านั้นเองเพราะจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันรวดไม่มีนอกมีในอลไร ห, หรอกหลวงปูนะ่ ด, ดูลท่านบอกว่า ข้างนอกเนี่ยนะหมายถึงตัวมันไม่มีไรว่างเปล่าภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินหมายถึงไม่มีความเคลื่อนหไหวใดๆเลยไม่มีความปลุกอะไรเลยในตัวธาตุรู้เนี่นะแต่ว่าตอนโซดาอะไรเนี่ยจะไม่เห็นนะเห็นได้ไม่พอนะจะเห็นว่างขึ้นมานะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นนะเรียกว่าอาโลกโกอุทธปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็จะเกิดความเบิกบานขึ้นมา เป็นความเบิกบานข่าบางบางท่านจะไม่เบิกบานบางท่านจะเป็นอุเบกขาบางท่านจะเบิกบานขึ้นมาไม่เหมือนกันนี่ลีลาแต่ละคนกาไม่เหมือนกันนะบางคนมีสาเอฟเฟกฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเทวดาสาทุกการกระเทือนโลกาธาตุอะไเนี่ยสาทุกการท่านสาทุกการอยู่แนละ้วแต่บางคนไม่สนใจเลยขนาดนั้นนะบางคน ก, ออกรู้ออกเห็นได้อีก อันนั้นหมายถึงหลังจากกระบวนการที่เกิดอริยมรรคอริยผลผ่านไปแล้วนะจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกกลับมาจิตใจเหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แต่กิเลสเนี่ยถูกทํำลายไปแล้วนะกิเลสบักตัวถูกทําลายไปแล้วมันจะเริ่มเห็นถ้าเป็นโสดาน้ำจะเห็นเลยมีขันทํางานอยู่นะแต่ไม่มีผู้กรนะทํำขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทําจะเห็นอย่างนั้นเลยนะ ไม่ต้องเจตนารักษาเลยนะยังไงก็ไม่มีผู้กระทเกิดขึ้นถ้ามีเกิดขึ้นอีกแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่โสดาปติมัตนะิงั้นภาวนานะสู้เอาธรรมะอย่างนี้นะไม่เคยมีใครเขาสอนกันหรอกนะดัน้นพักเพียงเอาหลวงพ่อก็ได้รู้ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ถึงวันนี้ก็มาถ่ายทอดให้ปกติครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะสอนกับพระแต่หลวงพ่อเป็นโยมท่านสอนให้ ดั้นเราก็รู้ว่าโยมก็เรียนได้เหมือนกันว่าทําไมโยมจะเรียนไม่ได้ถ้าโยมมีคุณภาพพอนะงั้นสรุปนะรักษ า, าศี่ห้าให้ได้ทุกวันฝึกจิตใจให้อยู่กันนกันตัวเท่าทําในรูปแบบซ้อมทุกวันสิบนาทีสิบห้านาทีทําให้ได้ทุกวันนะจะเป็นจะตายทําให้ได้นะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยจเจริญสติไปจเจริญปัญญาไปดูกายดูใจเขาทํางานไปนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเอง เราสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องสู้ชนหลังชนกำแพงเลยนะเอ้าวไปกินข้าวไป